วิธีดักใจที่พระพุทธเจ้าสอนจะทำโดยเสาววพาวรอดคำทุยในสัมปัสสะธนิยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงความสามารถดักใจคนกล่าวโดยใจความสรุปได้ว่าอาศัยวิธีสี่ประการได้แก่ประการที่หนึ่งดักใจด้วยนิมิต คือเห็นจิตด้วยจิตราวกับจิตของอีกฝ่ายมีรูปทรงให้เห็นได้เช่นเมื่อจิตของอีกฝ่ายขุ่นมัวก็เห็นราวกับจิตของอีกฝ่ายเป็นหมอกควันหนาทึบกว้างใหญ่ถ้ามืดมากก็แปลว่าหนาแน่นด้วยอักุสลมากเป็นต้นการเห็นจิตปรากฏเสมือนนิมิตนั้นมีใช่เรื่องลึกลับที่ต้องใช้ความสามารถมากมายอย่างที่คิดกัน แต่ละคนประสบอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นเห็นบางคนเดินมารู้สึกถึงรังสีอมตะหิตกว้างใหญ่เพราะกำลังโกรธแค้นและพร้อมอาลวาดเป็นต้นแต่สำหรับผู้มีความสามารถในการดักใจจะเห็นสภาวะทางจิตของคนและสัตว์เป็นนิมิตได้ตลอดไม่จำเพาะว่าต้องเป็นภาวะเด่นๆกระทบใจชัดเท่านั้นประการที่สอง ดักใจด้วยการฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาคือฟังน้ําเสียงแล้วรู้สึกถึงอารมณ์หรือรู้สึกถึงสภาวะของจิตที่อยู่เบื้องหลังน้ําเสียงนั้นๆเช่นถ้าเคยคุ้นกันอยู่ทุกวันแม้พูดคําเดิมหรือประโยคเดิมก็สามารถแยกออกว่าผู้พูดกาลังพูดด้วยความมีจิตใจโปร่งเบาหรือทึบแน่นเป็นตน้นเพราะอย่างนี้ ผู้ฝึกรับฟังคนอื่นพูดด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นปกติอยู่ก่อนจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถดักใจคนได้มากกว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจฟังคนอื่นพูดหากคุณใส่ใจฟังคนอื่นพูดเสมออย่างน้อยที่สุดจะแยกแยะออกว่าใครมีจิตเหม่อลอยฟุ้งซ่านจับจดสมาธิสั้นหรือว่าใครมีจิตประกอบด้วยสติสงบนิ่งมุ่งมั่นสมาธิยาวเป็นต้น ประการที่สามดักใจด้วยการฟังเสียงครางอันประกอบด้วยความแน่วไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพอคนลากเสียงร้องยาวๆว่าอ๋อจะหมายถึงเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งแต่หากผู้ฟังจับสังเกตละเอียดจะพบว่าในอารมณอยากร้องอ๋อหนึ่งหนึ่งมีความแตกต่างกันจำแนกได้เป็นเข้าใจเต็มที่เข้าใจนิดหน่อยเป็นต้น สำหรับผู้ฝึกดักใจด้วยการฟังเสียงจะค่อยๆสังเกตได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆว่าคนใกล้ตัวมีอาการคลางอืออาเมื่อใดด้วยเหตุผลทางอารมณ์แบบไหนเช่นครลางด้วยความเจ็บปวดทางกายหรือคลางด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายเป็นต้นพอคุ้นกับอารมณ์อันเป็นต้นเหตุของแต่ละการคลางหรือเสียงอุทานคุณจะเห็นลึกลงไปถึงรากแห่งความเป็นจิตวิ ญ, ญญาณของแต่ละคนว่า ฝังอยู่ในอารมณ์อันเป็นกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันประการที่4ดักใจด้วยการกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังเต็มไปด้วยอาการตรึกนึกหรือมีอาการแนบแน่นไปกับอารมณ์สมาธิบ้างแล้วจากนั้นจึงสังเกตทราบว่าการปรุงแต่งทางใจของผู้เข้าสมาธิเป็นประการใดอยู่ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อครูสมาธิจะดูว่าลูกศิษย์นึกถึงสิ่งใดสัมผัสรู้สึกเข้าไปก็จะเห็นเป็นเจตนาจดจอ่อหรือมีจิตผูกพันกับสิ่งนั้นๆโดยที่ครูสมาธิจะต้องรู้จากตนเองมาก่อนว่าความตั้งใจรูลมหายใจคำบริกรรมหรืออื่ น, นมีลักษณะปรุงแต่งทางจิตอย่างไรเมื่อเห็นสภาพปรุงแต่งจิตของลูกศิษย์เป็นเช่นเดียวกับตน ก็ยอมบอกได้ว่าลูกศิษย์กำหนดจิตถึงสิ่งใดอยู่ความสามารถในการดักใจคนจะช่วยให้สามารถสื่อสารกับญาติได้อย่างไรหากคุณดักใจ ญ, ญาติได้จริงจะพบว่าแม้ญาติยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่คนละห้องหรืออยู่คนละบ้านหรือกระทั่งอยู่ไกลกันเป็นคนละประเทศ ก็สามารถบอกถูกว่าญาติกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กำลังกระวนกระวายฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบระ ง, งับความกระสับกระส่ายนิ่งสบายอยู่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณสวดมนต์หรือฝึกสมาธิมามากจนสามารถมีใจสงบสุขได้มากสงบสุขได้กว้างขวางสงบสุขได้เนียนนานคุณจะรู้สึกถึงรัศมีความผาสุขของตอนเองที่สามารถเผื่อแผ่ไปให้ญาติได้ กับทั้งทราบชัดด้วยตนเองว่ารัศมีความพาสุขของคุณที่เผื่อแผ่ไปนั้นมีผลให้ญาติรู้สึกดีขึ้นได้หรือไม่ทำนองเดียวกับสาดน้ำเย็นไปให้คนกำลังกระสับกระส่ายกับอากาศร้อนอบอ้าวคุณย่อมเห็นกับตาว่าเขายิ้มออกทันทีที่โดนน้ำแม้ไม่ทราบว่าน้ำถูกสาดมาจากใครก็ตามอากสามารถพิสูจน์ว่าทาได้ และมีผลจริงตั้งแต่ญาติยังมีชีวิตคุณก็จะสงสัยน้อยลงหรือไม่สงสัยเลยมีแต่ความมั่นใจว่าคุณต้องทำได้เช่นเดียวกันหลังจากญาติจากโลกนี้ไปแล้วข้างต้นทั้งหมดเป็นแม่บทวิธีคร่าวๆต่อไปมาลงรายละเอียดแบบเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ